ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวนาพระพทธภาสิทิ์ยาสิ้นดริยานิสมะทั่งขตานิอซาญา่าซาระทินาสุดันตาไปหี่นามานะสะอะนาสะวัสะเดวาปิตสะปิหยันติตาดิโนแปลว่าบุคคลใดมีอินทรียสงบ เหมือนม้าที่ในสารถีฝุติแล้วละมานะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องหมักดองมีความคงที่ทเทวดาทั้งหลายย่อมรักคนเช่นนั้นอธิบายความอินทรีย์คือตาหูจมูกลึงกายและใจที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในตนเองเช่นตาเป็นใหญ่ในการดูหูในการฟังเป็นต้นอินทรีย์สงบก็คือตาหู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 ระหว่างอุดมคติกับการกระทำของตนห่างกันเพียงใดหรือใกล้เพียงใดชีวิตของตนได้ดำเนินไปใกล้อุดมคติที่ตั้งไว้เพียงใดแล้วการพยายามเทียบตนกับอุดมคติอยู่เสมอทําให้ชีวิตดำเนินถึงอุดมคติอันสูงสุดสําหรับตนเร็วขึ้นข้อว่าไม่มีอาสวะได้อธิบายแล้วในเรื่องก่อนบุคคลผู้มีคุณสมบัติทังกล่าวมาย่อมเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งหลาย และเป็นที่เคารพเทิดทูนของมนุษย์ทั้งปวงพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่บุพพาลามเมืองสาวัตถีทรงปราบพระมหากัจจยาเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระมหาเถระองค์นี้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่ามีความสามารถสูงเยี่ยมในการขยายธรรมให้พิสดานในวันมหาปราราคือวันออกพรรษา วันหนึ่งพระศาสดาและภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นั่งอยู่ภายใต้ประสาทของวิสาขาวิคารามาดาในบุพารามในสมัยนั้นพระมหากัจยนานเถระอยู่ที่อวันตีชนบทพระมหากาจยนานเถระนั้นมีอัธยาศาัยพอใจในการฟังธรรมยิ่งนะักดังนั้นเมื่อมีการฟังธรรมที่ใดและพระมหาเถระนั่งฟังธรรมอยู่ณที่ใด ย่อมเว้นที่ไว้อาสนะหนึ่งสำหรับพระมหาัจายณะเทระวันนั้นแม้เท้าสกเทวราชก็เสด็จมาพร้อมด้วยเทพบริษัทธยืนเฝ้าพระาศาสดาอยู่ไม่ทอดพระเนธเห็นพระมหาัจายณะจึงทรงรำพึงว่าฉะไหนหนอพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏอยู่ณที่นี้ถ้าพระผู้เป็นเจ้ามาก็จะดีไม่น้อยเลยพระมหาัจายณะเทระมาในเวลานั้น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 พระมหาเทระอื่นๆนั่งอยู่ที่นั้นมากมายท้าวส ก, กะไม่ได้ทําอาการเห็นป่านนั้นแต่ทํากับพระมหากัจจายณะเทระเพียงผู้เดียวพระศาสดาสลับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพิสุทผู้สํารวมอินทรีย์เช่นมหากัจจายณนะย่อมเป็นที่ราของเทวดาทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายาสิ้นดริยานิสมาทั้งคาตานิเป็นอาทิ มีนยะดังพนานามาแล้วแต่ตน